ถึงเรื่องต่างๆอยู่นั่นเองก็ได้ระดับ คลงขึ้นสายผีคลอเสียงให้สายกินกันดีแล้วจึงบรรเลงเสียงสูงหรือต่ำนักก็ย่อมจักไม่เป็นเพลงได้ส่วนฟังวังเวงรับและร้องต้องใจฉุนสายตึงเกินขนาดก็ย่อมขาดไม่เป็นผลสายหย่อนทอนเสียงดนุนปรีให้ดังไม่กังวานจงไขสายให้หมาะ จากฟังเพราะเสียงอ่อนหวานสูงต่ำนี้เป็นการพึ่งปสานแต่สายกลาง ดีน คิดมา บ้ารูปที่เรียกว่าปัญจวัคคีมีชื่อเรียงลำดับว่าโกนทัญญะวัตตะพัธิยะอหานามะและอสชิผู้เลื่อมใสในการทำทุกขกระยาก็เริ่มคลายความเลื่อมใสลงนักบวชทั้งห้ารูปนี้เฉพาะโกนทัญญะเป็นหนึ่งในแปดคนที่พระเจ้าสุดโททนะ ทรงเลือไว้ให้ทํานายโชคชะตาของพระสิท ธ, ธะในวันขนานพระนามเขาเป็นผู้ที่ยกนี้เดียวพยากรยืนยันอย่างแน่นอนว่าพระสิท ธ, ธะจะไม่ยอมเป็นจกกักรพรรดิพระองค์จะต้องออกโผนดและจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระสิทธาออกโผนดแล้วโกนธัญะจึงได้ชักชวนบุตรพรามอีกสีคนออกบวชตามเพื่อว่า เมื่อพระมหาบุรุษได้สำเร็จทำใดแล้วจกบอกท่านนั้นแก่ตนด้วยจึงรอคอยอยู่ด้วยความหวังรอคอยรับผลจากความพยายามของพระมหาบุรุษท่านทั้งห้าดังมีความเชื่อยอย่างแน่นแฟ้นว่าผู้บาเพ็ญเพียรจะบรรลุสัจธรรมได้ก็โดยวิธีเดียวเท่านั้นคือการทรมารร่างกาย เมื่อเลิกทรมานร่างกายเสร็จแล้วก็เป็นอันหมดหวังในการบรรลุเขาจึงเบื่อหนายพระสิทธิ์ถะ ก, ก, กล่าวกักันและกันว่าพระสมณะโคโดมสักยะบุตรทรงเลิกความเพียรเรียนมาเพื่อความเป็นคผลมากๆเสร็จแล้วทั้งความเพียรอย่างขมักขม้นป่านั้นยังไม่อาจบรรลุได้เมื่อคลายความเพียรเปลียนมาใช้ชีวิตอย่างสามัญชน บริโภคอาหารตามปก ต, ติร่างกายสดใสแข็งแรงจะบรรลุธรรมได้อย่างไรมองไม่เห็นแล้แล้วนักบวชปังเจรคีก็ละทิ้งพระองค์ไปไปสู่อิสิ ป, ปัตนะมริกทายวันแขวนเมืองพาราณสี และเมื่อพระองค์ต้องการความสงบเงียบเพื่อบำเพ็ญเพียรทางจิตพวกเขาก็จากไปพระองค์ประทับอยู่อย่างโดดเดี่ยวเหมาะแก่การทำสมาธิจิตรวมความว่าทั้งการมาเฝ้าอยู่และการจากไปของพระปัญจวัคคีย์เป็นประโยชน์แก่พระสิทธะทั้งสิ้น เวลาที่ปานจะรักขีมาเฝ้าคอยเป็นฏิบัติพระพุทธทางกูลคือพระสิทธถะนั้นพวกเขาก็่ได้ลงมือปฏิบัติอะไรได้วยตนเองเลยเขามีความมุ่งหมายเพียงเพื่อพลายได้รับผลจากการปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังของพระสิทธถะเขาคิดอย่างไรเขารู้สึกอย่างไรจไึงไม่ลองพยายามอย่างที่พระสิทธถะพยายามบ้างข้อนี้ไม่มีใครทราบ คงปล่อยให้เป็นเรื่องของเขาโดยเฉพาะเขาทุ่มเทความหวังทั้งหมดไว้ให้แก่ความพยายามของพระสิทธถะไม่เห็นว่าความหวังนั้นไม่มีทางสมหวังอย่างแน่นอนแล้วพวกเขาก็ชวนกันทิ้งพระองค์ไปเม่ได้ยู่อย่างสมบมีพลังกายสมบูรณ์อย่างเดิมแล้วพระสิทธถะก็เริ่มทําความเพียรในทางใหม่คือการบำเพ็ญเพียรทางจิต อยู่หลายวันพระองค์จะต้องทรงทดลองเดินทางนี้อีกครั้งหนึ่งยังดับนั้นสตารุสาริยานก็เกิดขึ้นแก่พระองค์ทำให้พระองค์ทรงแน่พระไถยขึ้นอีกเล็กน้อยว่าเดินในทางนี้อาจบรรลุผลสำเร็จสตารุสาริยานคืออะไรคืออาการที่พระองค์ทรงระลึกถึงเรื่อเก่า ในชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่เป็นพระราชกุมาร น, น้อยเคยทรงทำอะไรและอย่างไรพระองค์ทรงเล่าถึงเหตุการณ์เม่วันแรกนาขวัญพระองค์ประทับนั่งใต้ต้นว่าใหญ่ พฤตเวทนาอันกล้าแข็งเพราะการทรมานกายก็ไม่อาจตระหรูได้เหมือนไม้สดที่ชุ่มดียางบุคคลแช่ไว้ในน้ำผู้มีความต้องการไฟนำไม้ดังสีไฟก็ไม่อาจให้เกิดไฟได้ความพยายามของเขาย่อมไร้ผลเหน็ดเหนื่อย เ, เปล่าเพราะไม้นั้นยังสดและมียางอยู่ทั้งยังแช่อ ย, อยู่ในน้าด้วย ใจของเขาไม่พวพันรักใครในกลาลสมณพราหมเหล่านั้นได้เสนอทุกขเวทนาที่การทำความเพียรก็ดีไม่ได้เสนอทุกขโวทนาชะนนั้นเลยก็ดีย่อมสามารถตกลุ้นได้เหัวไม้แห้งที่ไกลาจากน้ําบุคคลวางไว้บนบกผู้ต้องการไฟนําไม้เช่นนั้นมาสีกันย่อมก่อให้เกิดไฟได้ ก็เราแลบัดนี้เป็นผู้ที่กายปลีกออกจากกามแล้วจิตใจของเราก็ไม่ได้มีอะไรผัวพันอยู่ในกามนั้นเราย่อมมีโอกาสจะรู้ได้อย่างแน่นอน พระองค์จะได้แต่รู้อย่างแน่นอนสองทรงสบิงว่ามีกลากสีบ้นมาจากจะตุรทิศเมื่อมาหาโปรงแทบพยุกลบ่ายของพระองค์นกเหล่านั้นก็เปลี่ยนเป็นสีเดียวกันหมดคือสีขาวในขอน้อนี้พระองค์สงแก้ว่าตาไปในภายหน้าลัมละทั้งสีคือ พสัต์พราหมณ์ไรศยะและสูตรจะเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนของพระองค์จนถึงออกบวชตามพระองค์เป็นอาม่าคนในวันณะเหล่านั้นเมื่อบวชแล้วก็สลักวันละของตนของต น, งตนกลายเป็นพระสมณะสักยบุตรเสมอขมด หนึ่งสูงมากพื้นที่ที่พระองค์ทรงเหยียบขึ้นไปนั้นเอียงโดยอิจจระทั้งสิ้นแต่พระบาทของพระองค์หาได้เปื้อนอิจจระไม่ในข้อนี้พระองค์ทรงแกว่าตาไปภายภาคหน้าราบสการะจะบรรเกิดขึ้นแก่พระองค์มากมายแต่พระองค์หาติดในราบสการะอันไม่สีทรงสุนินว่า มีหนังตัวขาวหัวดำมากมายหลือขนานาคลานขึ้นมาบนพระชงทั้งสองข้างของพระองค์ในข้อนี้ทรงพนายว่าจะมีพุทธบริษัทที่เป็นกครือัดมากมายเกิดขึ้นในปัรรมลลัยของพระองค์ห้าทรงสดินนิว่ามีหน้าคามากขึ้นที่นาผีของพระองค์และสูงขึ้นไปเทียมเมข ขอ้อนีท้ทรงถกนายว่าตาไปพายภาคหน้าพราะทำลมมไมล์ของพระองค์จักเป็นประโยชน์แก่เทพพญานาและมนุษย์มากมาย พบกับคุณหาบหญ้าชื่อสธุธยะเขาเห็นพระอาการอลบุรุใหม่สูงส่งของพระองค์แล้วเกิดความลน่าใสคล้ายจะถวายอะไรสักอย่างหนึ่งที่พอจะเครื่องเตือนใจแห่งตนแต่นื่องจากเขาไม่มีอะไรอื่นเลยนอกจากหญ้าคาจึง น, น้อมหญ้าคานั้นเข้าไปถวายพร้อมกล่าวว่าพระคุณเจ้าโปรดรับเถิด เพื่ออันเพราะให้ความปรามวดของข้าพเจ้าเพิ่มพูนขึ้นพระโพธิสัตว์ทรงรับหญ้าขานั้นเท่าที่พอจะรั์ได้พลางกล่าวเป็พรให้หนายสุทิยะจเริยและกุศลธรรม ย, ยิ่งขึ้นไปแล้วเสด็จประทับณโคนโพใหญ่ใบหนามูร่อนเมาสนันตดีทรงใช้ยญ้าขาที่รับมานั้นตูราดเป็นอศัศนะผพระพักสูม่มรภาทิ ณนะม่องประพักของพระองค์นั้นเป็นสายทานแห่งเมรัชรานที ทรงอธิษฐานพระไถยต่อเจตุรงกรรมหาประธานความเพ่ยนซึ่งประกอบประโอสีว่าเลื่อและเลได้ร่ารงกายของเราจะเกิดแห้งไปเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูก็ตามทีสิ่งใดอันบุคคลพรองประุได้ด้วยกำลังเรีย่ยวแรงและความพยายามของบุรุษหากเรายังไี่ได้ประลคุดพิเศษทอลั้งแล้ว เรื่อจกกิตความเพี้ยนเสียเองอันไม่ดีอย่างเด็ดขาดเมื่อตั้งพระทยดังนั้นแล้วก็สรงสมเด็จจิตเพื่อให้สงบแน่วแน่ให้มีกำลังแรงกล้าเพื่อทำลายความมืดคืนอวิชาต่อไป ถ้าองค์จะฆ่ามันด้วยดาบคือพย า, ยานังคมกริบจึงอยากแสดงลทธเป็นครั้งสุดท้ายเช่นเดียวกันมันจะต้องพยายามจนสุดความสามารถที่จะห่วงเหนี่ยวพระสิท ธ, ธาไว้แยืย่งโมเปียชนทั้งหลายมารคือกิเลตนี้มีความพูมใจมานานเลยว่าคนเท่ยายอมอยู่ใต้อำนาจของมันยอมให้มันปกครองผู้นั้นจะยิ่งใหญ่อย่างไร ก็ไม่พ้นจากการครอบครอของมันไปได้ก็หล่อพระทิศตะวันไม่เสี็จอย่างไรจึงคิดจะฆ่ามันอยู่เหนืออำนาจของมันมา น, นที่กล่าวทั้งนี้คือความปั่นป่วนรุนแรงในประเทศไทยทรงหวนลุกถึงความสุขที่เคยได้รับแต่อดีตและยากจะหวนกลับไปสเสวอความสุขอันเป็นสุขาเริม่มฉ์เช่นนี้ ขู่พื่อนดนอีกหรือตรงไปไม่ได้สิท่าเจ้าจะทําอย่างนั้นไม่ได้แน่แล้วพระองค์ก็ทรงทําความเพียรต่อไปประนับพระทัยจากความฟุ้งซ่านนั้นความสงบจึงก้าวหน้าไปอีกหน่อยหนึ่งแต่แล้วก็หมุนกลับไปอีกโดยการยั่วย้าของกิเลสมารอันคอยฉุดกล้าเดียวรั้งพระทัยของพระองค์ให้ตกต่ำลง ดูก่อนสิทธาท่านนั้นยังมุ ม, มียเกษาดำสนิท ด, ดวงตาของท่านยังแจ่มแววเนื้อของท่านยังแน่นผิวหนังยังสุดใสควรเสวยสู่ขารมให้สมกับความเป็นหนุ่มทรัพย์สมบัติและบริวารของท่านก็มีอยู่พร้อมมีร่องเงาสนิทดีสรงใช้ยาคาท่รัตนานั้นปูราดป็นอาสนะ พันภพสูมุรภาธินณะโมงภพของพระองค์นั้นเป็นสายทานแห่งเยรันชรานทิ ต้องจะตระหนมหาประธานความเพียงซึ่งประกอบด้วยอสีว่าเมื่อเลือเล่อนเลอดในร่างกายของเราจะเกิดแห้งไปเหลือแต่นังเอ็นและกระดูก็ตามทีสินน่งใดอาบุคคลบริบูรุได้ด้วยกำลังเรี่ยวแรงแต่ความพยายามของบุรุษหากเรายังที่ได้บรรลุคุณพิเศษอนั้นแ ล, แ ล, แ ล, แล้วเรื่องจากความเพียรเสีย เอ็นอารม่์ดีอย่างเด็ดขาดเมื่อตั้งแทไทยดังนั้นแล้วก็ซ้อมสมบวลจิตเพื่อให้สงบแน่แน่ให้มีกำลังแรงกล้าเพื่อทัลายความมืดคืนอวิชชาต่อไป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 ก็ไม่พ้นจากการครอบครองของมันไปได้ก็ประสิท ธ, ธัตถะไม่เสด็จไปจินติคิดจะฆ่ามันอยู่เหนืออำนาจของมันมานที่กล่าวทีน่นี้คือความปันววม่นป่วนรุนแรงในพระไถ่ทรงหวนรุดถึงความสุขอันเคยได้รับแต่อดีตและอยากจะหวนกลับไปสเสนอความสุขอันเต็มสุขอาริณ์เช่นนั้นอีก ที่ตัวทมลงสู่พื้นดินอีกหรือตรงไปไม่ได้สิทศกัณฐท่านจะทําอย่างนั้นไม่ได้แล้แล้วพระองค์ก็ทรงทําความเพียรต่อไ ป, ประนับพระทัยจากความพึงท่านนั้นความสงบจึงก้าวหน้าไปอีกหน่อยหนึ่งแต่แล้วก็หมุนกลับไปอีกโดยการยั่วย้าวของกิเลสสมาอันคอยฉุดกล้าเเยียวร้างพระทัยของพระองค์ให้ตกต่าลง บูก่อนสิทธถาท่านนั้นยังหนุ่มมีเกสาดำสนิทดวงตาของท่านยังแจ่มแววเนื้อของท่านยังแน่นผิวหนังยังสดใสควรเสวยสูขารมให้สมกับความเป็นหนุ่มทรัพย์สมบัติและบริวารของท่านก็มีอยู่พร้อมรอนรฬิกาสวยงามในวางของท่านล้วนแต่สันแล้วเพื่อบำรุงท่านให้เริงสุขในการมาววิสัย เช่นเดียวกับเจ้าชายทั้งหลาย พระปัญญาและพระคุณธรรมอื่นๆอันทรงสั่งสมไว้ได้ถึงการแก่ก้าสุครอบแล้วโอกาสทั้งยิ่งใหญ่ได้มาถึงพระองค์แล้วความสำเร็จหรือความล้งเหลวของพระองค์ย่อมมีผลต่อชัดโลกทั้งมวลด้วย ขึ้นลงสะดวกเป็นอันดีน่าเพลินใจมีบ้านสาหรับพิขาจาร์ตั้งอยู่โดยรอบพระองค์จึงพักอยู่ณที่นั้นแลนั้ที่นั้นเองเป็นสนามที่พระองค์ได้ทดลองการทําความเพียรแบบอัตกิและพัานโยกนานาประการตามที่นักพุทธสมัยนั้นก็ะทำกันหลายพวกพระองค์ทรงนั่งมาทดลองหมดสิ้นและทรงประทำแค่หมวด ไม่มีใครเสมอเหมือนหรือยิ่งกว่าทรงประพฤติประปะศีลวัดคือวัดย่ากิเลสกล่าวคือการเปลกกายไม่นำพาต่อมาญาติใดทั้งสิ้นเช่นเช็ดอุจระของตงนไม่เมือไม่รับอาหารที่คนร้องเชิญว่าจงมาหรือบอกให้หยุดก่อนไม่ยินดีในอาหารที่เขานํามาจํจาเพาะจับจงไม่รับอาหารจากปากนอก จากปากภาชนะด้รับอาหารข้อมธรณีประตูได้รับอาหารข้อมสากด้รับอาหารของคนสองคนผู้กำลังบริโภคอยู่ได้รับอาหารของหญิงมีคันของหญิงที่กำลังให้บุตรตื่นมนมในรับอาหารที่มนุษย์ชักชวนร่วมกระทำด้รับอาหารในที่ที่มีสุนัขเข้าไปโยนเกลาได้รับอาหารในที่ที่เห็นนายวัน หมู่หู่ไปเป็นหมู่หมู่ไม่รับกาไม่รับเนื้อไม่รับสุรามีไรไม่เดินน้ำที่ดองได้แกรรับเรือนเดียวเสวยคําเดียวบ้างรับสองเรือนสวยสองคำบ้างทรงเลี้ยงพระกายด้วยอาหารได้ผาชนะไม่น้อยสองผาชนะบ้างเลี้ยงพระกายเพื่ออาหารได้ผาชนะไม่น้อยเจ็ดผาชนะบ้างสวยพระอาหารที่เก็บแต่วันเดียวบ้าง เก็บไว้สองวันบ้างเจ็กวันบ้างทรงประกอบความเพียรในพัฒนาผู้ชนาหารมีปริยายอย่างนี้จนถึงครึ่งเดือน สมพระพุทธมหาวิกกะพุทธชนวั ต, ตรกล่าวคือทรงคลานเข้าไปหาโคที่ออกจากคล อ, อกไม่มีคนเลี้ยงแล้วถือเอาโคใหม่ขึ้นมูลวัวของมุกโคตัวนล็กๆที่ยังดื่มนมแม่เป็นอาหารและทรงถือเอาุจระและปะสัสสาวะของพระ อ, องค์เองเป็นอาหารจนกว่าจะหมดบานคราวสเสด็จขึ้นสู่ป่าชั้าท่ากลัวแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วอยู่นักที่นั่น ที่อันน่าสะเพรัวแก่คนผู้มีท่าถึงความขาดผู้ยังไม่ปลาซจากราคะเมื่อเข้าอาศัยนาที่นั้นแล้วย่อมมีอาการลมมชาติชูชันในราตรีที่หนาวจัดหิมะตกเยื่อเย็นกลางคืนประทับอยู่หน้ากลางแจ้งกลางวันกระทับอยู่ในชัดนในป่าครั้งถึงเดินสุดท้ายเห็นรขาดร้อนการวันประทับในที่แจ้งกลางคืนเสด็จก็สู่ป่า จนกระทั่งทรงบังเพิ่ถึงพระองค์ว่าเรานั้นร้อนแลแต่ผู้เดียวหนาวเย็นแต่ผู้เดียวอยู่ในตาหน้าสะเทือนกลัวแต่ผู้เดียวเป็นผู้ในกายเอาเกลาเปล่ปาไม่ผิไงไปเป็นมู้อนขวผลขวายสแสวงหาความบริสุทธิ์ ประทัดในป่าชา้าทัดกระดูแห่งราตสศทั้งหลายพวกเด็กเล้ยงโคเข้ามาใกล้โหร้องใส่พระกันบ้างถ่ายมูดรถบ้างซัดฝุ่นใส่บ้างเอาไม้น้ลมแหลมท่งแทงในหูบ้างแต่พระองค์ก็ไม่ทรงคิดร้ายต่อเด็กเหล่านั้นเลยทรงวางเฉยอย่างสมกนี่คือวัดในการอยู่อย่างอุเบกขา พระสิทธาตามระเพ็นทุกรากิริยาสเสวยพระอาหารน้อยบางข่าวเพียงผู้สาผลเดียวเมื่อสเสวยอย่างนี้พระกายก็ผ่ายผมอมอวัยวะน้อยใหญ่เรียวเล็กลงเหมือนเถาวันส่งเล่าให้ราสารีบุตรฟังเล่าจะกเสวยว่าดูก่อนสารีบุตรเราผอมจนจะพกที่นั่งทับของเรานั้น เหมือนรอยเท้าอูดก็ดูกฉนังเหมือนเทาวัฒนาวีซี่โครงของเราเหมือนคลงหรือจันทร์ันแห่งสาลาที่ข้ามคลื่นดวงตาของเราเลิกโบ๋เหมือนคนที่เห็นดวงดาวอยู่ในบ่อน้าหนังศรีรษะเหี่ยวเหมือนกับแป้งเต้าที่ถูกตัดแต่ยังก่อนเี่ยวลมก็ถูกลมละแดนดูก่อนสารีบุตรด้วยประการฉมี เมื่อเราต้องการลูกท้องก็ถูกกระดูกสลังเมื่อตั้งใจลูกกระดูกสลังก็ถูกเอาท้องด้วยหนังท้องกับกระดูกสลังของเรานั้นเชิดกันสนิทเพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อยสาราบุตรเราไม่คิดว่าจะทายอุจจาระภาษาวะก็ล้มพับอยู่ตรงนั้นเราเมื่อจะบรรเทากายนี้ให้มีความสุขบ้างจึงลูบตัวด้วยฝ่ามือ ขนที่มีรากหน่าแล้วได้หลุดออกจากร่างกายร่วงไป เหลือชุ่มอยู่แต่ที่ไส่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นพระองค์ท้งความเพียรด้วยกำลังเรี่ยวแรงทั้งสิน้นมันหมดไปหมดไปจริงๆดังนั้นพระมณีศิท ธ, ธักจึงสงบแน่นิ่งไปด้วยความอ่อนเพลีย ทันทีว่าพระองค์สลบสลายไปเพื่อเหตุใดและทรงพ้นขึ้นเพื่อเหตุใด สถาน ก, การ์ตรมาหน้ากายโดวยวิธีต่างๆนั้นเจ้าได้ทํามาอย่างเข้เมงวดกดขันที่สุดแล้วไม่มีสมณพาหผู้มีความเพียงคนใดจะทําได้ยิ่งกว่าแต่ก็ไม่ได้พบแสงสว่างภายในจิตใจแต่ประการใดเลยเมื่อทรงเท้ากับพระองค์เองเชีนี้แล้วจึงกลัดกับเด็กน้่ยแพ้ว่าเด็กน้อยเลย เราขอบใจเจ้าอย่างที่สุดที่ช่วยชียวิตเราไว้โดยลนำแพ้ม่ยืนบีบนมให้เราบริโภคแต่ร่างกายของเราต้องอ่อนเพลียละเกิเราขอรบพระจักรเจ้าอีกสักช้างเถิดเด็กลี้ยแพะวันละสดมอพระองย่างเตื่นและทูลว่าข้าแต่พระพุทธเจ้าข้าพะเจ้าไม่มีภ้าชนะสำหรับนมให้แต่ท่านหากท่านต้องการหรือเอ ข้าพเจ้าก็ต้องทำอย่างก่อนท่านนอนหงายลงอาปากเถิดข้าพเจ้าจะเรียกปัญงจากพระฤาษีให้ล้มสูงโอดของท่านทาไมเจ้าจะต้องทาอย่างนั้นด้วยนะเด็กน้อยท่านเป็นรักพลที่มาจากบมณฑลสูงส่วนข้าพเจ้าเป็นเพียงเด็กเล็กแก่มาณฑลไพชนะอันใดที่ข้าพเจ้ามีอยู่ถูกตั้งกายของข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าไม่อาจให้ท่านใช้ไพชนะนั่นอีกจะเป็นบาปแก่ข้าพเจ้า เหลือคนที่ควรช่วยให้ความสุขความชื่นใจอย่างนี้นเองเมื่อเด็กน้อยจากไปแล้วพระสิทธะนองนึ ก, กเงินดูรู้สึกว่าพอ่อเงินได้แต่ไม่น่าคงนักช่วยให้เซ จ, จะล้่งอยู่ได้ไปพระองค์พยายามคางไปใกล้ต้นไม้ต้นหนึ่งและนั่าพักอาศัยร่มเงาของมันขณะที่พระองค์ทรงระเฬถึงเรื่องต่างๆอยู่นั่นเองก็ได้สดับเสียงหวาดแว่ว คล้ายมากับสายลมพระ อ, องค์ทรงจำได้ว่าเป็นเสียงผินเสียงผินอย่างแน่นอนเป็นเสียงผินจากหัตอละลมมใหม่ของสตรี